เรื่องพัตาหารที่เป็นเดน237สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายนำบิณฑบาตอย่างพระนิทไปถวายพวกภิกษุผู้เป็นไข้พวกภิกษุเป็นไข้ชั้นพัตาหารไม่ได้สมใจภิกษุทั้งหลายจึงทิ้งบิณฑบาตเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคทรงได้สดับนกกาส่งเสียงร้องดังเซงแซ่ครั้นได้ทรงสดับแล้วจึงได้ตรัสกับท่านพระอนลนว่า อ, อนนททำไมนกกาจึงส่งเสียงร้องดังเสียงแซ่ลำดับนั้นท่านพระอนนได้กราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า อ, อนน์ภิกษุทั้งหลายได้ฉันพระทหารที่เป็นเดนภิกษุเป็นไขหรือท่านพระอนน์กราบทูลว่าไม่ได้ชันพระพุทธเจ้าข้าทรง อ, อนุญาตให้ชันพระทหารที่เป็นเดนภิกษุเป็นไขลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ฉันพัาหารที่เป็นเดนภิกษุผู้เป็นไข้และภิกษุผู้ไม่เป็นไข้ภิกษุทั้งหลายพึงทำพัาหารให้เป็นเดนด้วยการกล่าวอย่างนี้ว่าทั้งหมดนั่นพอแล้วแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้